ตอนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีทางไปจะทําไงจะเอาตัวรอดได้ะนี่เขาก็เข้าไปเขาเคียร์ทาให้ลือศีหนุ่มเป็นแฟนเลนะฮะลือศีหนุ่มก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยรู้จักผู้หญิงมาก่อนเหมือนกันผลในสุดก็เลยผู้หญิงกอดเมีไงกับไปด้วยไม่มีปี่มีลุยเลยท่านเลย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 เธอจะไปก็ไปก่อนไปไปรออยง่นู่นนูน่นไปนะผู้หญิงเขไม่อยากจะให้ลือสีพ่อเห็นเขาไปหลบอยู่ในป่านะแต่นี้พ่อเขามาพ่อมาถึงแล้วพ่อเ็เลยบอกว่าลูกคุณบอกลูกชายก็บอกว่าคุณพ่อผมจะออกไปเป็นฆราวาสนะผมจะไปทามาเลี้ยงชีพแบบฆราวาสอยู่กับชาวบ้านเขาลนะพ่อ ทั้งผู้พ่อก็ไม่รู้จะว่าัางไงเห็นลูกชายแข็งแข็งขันแบบแข็งคอแลยอย้วงั้นอะแบบไม่ยอมฟังพูดยังไงไม่ยอมฟังเลยทั้งผู้พ่อก็รู้แล้วว่ามันต้องมผีผู้หญิงหรือใครเข้ามาก็เลยถามถามสอบโอ้ใช่จริงๆทั้งผู้พ่อก็บอืเออลูกพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะสั่งเสียให้ลูกนะในเมื่อลู ก, ลกไปเป็นคราวาสพ่อจะให้คติข้อ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 พอคิดเรื่องอะไรคิดผิดคิดถูกทำทำผิดทาถูกเพราะเหตุไรเพราะมีสติสัมปชัญญะอยู่พราชาอื้ใช่มีเหตุผลอา้าวในขณะที่พญาหงอยู่ที่นี่เราจะหยุดดื่มสุราแต่พญาหงขอร้องให้หยุดตลอดไปนี่แหละอันนี้ก็คือกติธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมาพิจนารณาดูแล้วก็ใช่คนที่ขาดสติเนี่ย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 อัคคมเหสีเอา้าลูกชายของเราทำไมไม่ไม่เห็นลูกของเราอัคคมเหสีจะเห็นได้อย่างไงพราะพระ อ, อ, องค์ดื่มเมาสุราเมื่อวานเนี่อตอนที่พิเนกชัยคดีความบอกว่าไม่มีอาหารก็หักคอลูกชายโยนให้พ่อครัวเขาไปทำอาหารครัวต้นก็ไปทำอาหารลูกชายก็ตายโอ้เกิดความสลดสังเวชอย่างใหญ่หลวงเลยทีนี้แต่ที่ไหนได้มันผ่านไปแล้วนะ นี่แหละอันนี้ก็คือคนขาดจติติเมื่อขาดจิติแลรทำความชั่วเสียหายได้ไดลหลายอย่างถ้าเราอ่านหรือศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็มีแนวความคิดมากหลากหลายทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อลุงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับพวกเราดลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะเมื่อฟังได้ศึกษาแล้วฟังด้สิมีเหตุผลไหมแต่อย่าพึ่งเชื่อนะ